ก, ก็การมิมิสการไปสูงไปสูงทั่วรูปสมณีเจเริญในสุขในธรรมในใจโยม น, นับปฏิบัติทุกคนทุกรูปทุกนามจะนั่งฟังตาสบายนะฮะในช่วงเย็นวันนี้เราก็ทำกิจกรรมการสวดมนต์การไหว้พระการสาธยามน นี่เพื่อเป็นการเตรียมนะการเตรียมให้จิตใจเรามีความพร้อมการที่จะศึกษารับฟังเพื่อการขัดเกลาจิตใจของเรา<อ>เพราะว่าจิตใจของเรานี่มันรับสิ่งกระทบตลอดเวลานะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์มากระทบตีบ้างชั่วบ้าง ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนะถ้าถูกใจแล้วก็จิตใจก็รู้สึกว่าสดชื่นขึ้นบานถ้าไม่ถูกใจก็รู้สึกหดหูเศร้าหมองนะเสียใจก็จะเป็นอย่างเงี้ยสลับไปสลับมาวันวันหนึน่งหลายๆครั้งนะเหตุการณ์อย่างเงี้ยซึ่งทั้งที่รู้สึกสบายใจและไม่สบายใจ ที่ผ่านเข้ามาก็ล้วนเป็นละอองเป็นมวนทินเป็นฝุ่นเข้ามาจับจิตใจของเราให้ให้แปดเปื้อนได้ไม่ว่าแปง้งหรือฝุ่นประดามที่มาแปดเปื้อนใบหน้าของเราในที่สุดก็ต้องล้างเราซื้อเครื่องซ้ำอางราคาหลายๆหมื่นหลายแสนที่เราทาลงไปในที่สุดก็ต้องล้างทิ้งเหมือนกัน ดังนั้นเองที่แจของเราเมืองกันบางครั้งมีคนชื่นชมคนสรรเสริญเยินย อ, อในสุดล้วก็มันก็หายไปล้างไปแต่ว่าบางครั้งมันก็ตกตะกอนความมันซับเข้าไปในเนือในหนังของเรา ชั้นใดก็ดีใจิตใจของเราเหมือนกันที่มันซับเอาสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างรอบข้างเข้าไปมันมีผลนะมีผลให้แปลกเพื้อนเป็นสั่งสุมเอาไว้ที่เลวจิตได้สานึกมันซับซับซับเอาไว้ดัง น, นั้นมันก็เลยความคิดมันเคยไหลออกมาเรื่อยๆเพราะมันได้ซับเอาไว้ซึ่มเอาไว้อ บางครั้งเราก็นึกเอ๊ะทำไมความคิดมันมาจากไหนมันเยอะเหลือเกินไม่หมดทุกทีหนึ่งก็าพอมรับตลอดเวลารับทั้งหกทางตาหูาจมูกลิ้นกายมาไว้ที่ใจแต่มันออ ก, ม, ออกมันออกทางเดียวมันรับเข้ามาต้องหกทางมันเลยไหลไม่หยุดอย่างเง้ยนะความคิดของเราดังนั้นเองเราจะทํำยังไงให้มันหยุดบ้างนี่เราก็ต้องเลือกรับแหล ะ, ะเลือกรับอันที่ดี บางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องรับอันที่ไม่ดีก็ยิ่งต้องไม่รับเลยนะแต่จะเลือกได้ไหมถ้าเราเลือกรับสิ่งที่มากระทบไม่ได้แน่นอนว่าเราก็จะต้องรับในสิ่งที่มันออกมาด้วยนะเหมือนอาหารที่เราเลือกรับทานมันก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายก็ให้เกิดสุขภาพดีมีความเข้มแข็งปลอดภัย แต่ถ้าหากว่าเราไม่รับไม่เลือกรับแบบไม่เลือกมันเกอกมาดีบ้างร้ายบ้างสุขภาพของเราบางครั้งสบายบางครั้งไม่สบายก็สลับกันอยู่เพราะว่าเราไม่ได้เลือกแต่เราพยายามเลือกสุขภาพของเราก็จะดีตลอดเหมือนกันอันนี้ในส่วนที่เป็นวัตถุเป็นนามเป็นรูปธรรม ท, ที่มองเห็นได้นะันั้นเรามาปฏิบัติเพื่ออะไร เพื่อมาฝึกฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาเอามาไว้เพื่อเลือกเลือกรับในสิ่งที่เราต้องการเลือกอารมณ์ในสิ่งที่เราต้องการอารมณ์บางอย่างที่เราไม่ต้องการเราก็ไม่รับเข้ามานะที่เราบารปฏิบัตินี่นะเหมือนกันที่เราต้องปรุงอาหารเนี่ยเพื่อเลือกเอาส่วนที่เป็นประโยชน์เราจึงเอาเข้ามาปรุง อันไหนที่ไม่เป็นประโยชน์อาหารในตลาดในขายเยอะแยะบางอย่างก็เราไม่ชอบว่าไม่เป็นประโยชน์บ้างเราก็ไม่เอาเข้ามาเราก็ยังรู้จักเลือกเหมือนกันดังนั้นการที่เราจะเลือกอาหารใส่ใจใจเมื่อกินอาหารนะเขาเรียกว่าอาหารทางใจอาหารทางกายมีอย่างเดียวคือสิ่งที่ใส่เข้าปากเขาเรียกว่ากะวะลิงกระหรัน แต่อาหารทางใจเนี่ยมันมาเข้ามาทั้งหลายทางเรียกว่าผัสสอาหารภาษาเขามโนสัญเจตนาอาหารแล้วก็วิญญาณอาหารเข้ามาผัสสาหารสิ่งที่มากระทบถ้าหากทำให้เร า, อาชอบใจ mm. ก็เป็นอาหารดีทำให้เราไม่ชอบใจก็เป็นอาหารไม่ดีเรียกผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหารก็คือที่เราตั้งใจทําบางครั้งเราตั้งใจทําดีบางครั้งเราก็ตั้งใจทําชั่วทาชั่วก็ตั้งใจทําเหมือนกันใช่ไหมเช่นยุงมาในหตั้งใจตบอย่างดีเลยนะพูดพลอหรือที่ตั้งใจจะทําพูดให้ใครเจ็บใจสักคนหนึ่งตั้งใจคิดอย่างดีเลยนะตั้งใจจะด่าใครสักคนี่นหูนี่เขาเรียกมโนสัญเจตนาหาร แล้วแต่เราจะเลือกตั้งใจบริโภคแบบไหนเรื่อมโนสังเกตนาหารแล้ววิญญาณอาหารคือรับเข้ามาทางตาของจมูกลิ้นกายใจเนี่ยดีบ้างไม่ดีบ้างรับได้ตลอดมันก็ออกมาทำให้ใจของเราเนี่ดีบ้างเสียบ้างเนี่ยที่เราบางครั้งดีใจบางครั้งเสียใจบางครั้งเศร้าใจบางครั้ง เบิกบานใจสลับกันไปสลับกัมาอยู่อย่างนั้นนะมันก็รู้สึกว่าชีวิตไม่ค่อยมีความสุขไม่ค่อยราบรื่นมีภาวะที่สุ่มเสี่ยงต่อการดีใจเสียใจตลอดเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งทางเลือกเอาไว้นะไม่ตั้งเลือกทางเลือกดังนั้นการมาปฏิบัติธรรมก็คือการมาฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาที่มีอยู่เนะี่ย ไว้เลือกในสิ่งที่ดีใส่กายใส่ใจของเรากายใจของเราเนี่เราจ ะ, ะไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีมากระทบก็ไม่ได้ไม่ให้สิ่งที่ดีเลือกแต่สิ่งที่ดีมากระทบก็ไม่ได้มันมากระทบทั้งสองอย่างแต่เราจะรับหรือไม่รับเราเดินออกไปเนี่ยเวลาฝนตกไม่มีร่มเนี่ยต้องเปียก แดดออกไม่มีที่กำบังก็ต้องร้อนต้งโดนแหละแต่ถ้าหากเรามีทางเลือกก็คือหาที่กำบังได้เราอยู่ในสังคมตั้งแต่สองคนขึ้นไปเนี่ยมันก็จะต้องมีสิ่งที่มากระทบละดีหรือไม่ดีทีนี้เรากระทบแล้วมันจะเข้าไปในใจของเราหรือไม่นี่แล้วจ ะ, จะเลือกรับหรือไม่รับ น, นันการมาปฏิบัติธรรมการมาเจริญวิปัสนาเพื่อมาตั้งโปรแกรมเพื่อรับเลือกในสิ่งที่เราเลือกรับในสิ่งที่เราต้องการนะทำได้นะแต่คนไหนที่ไม่เจริญวิปัสนาเนี่ยเลือกไม่ได้ตั้งรับทุกทางเข้ามาทางไหนก็รับนะเพราะนั้นเองในชีวิตจริงของเราเนี่ยเราต้องการแต่ความสุขไม่ต้องการความทุกข์นะแต่โดยธรรมชาติแล้ว เราจะต้องมีสิ่งที่มากระทบทั้งสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นเหตุให้เกิดสุขและเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะอันนี้คือที่เรามาปฏิบัติธรรมด้วยเหตุผลนี้นั้นพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าผู้ใดมาเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างถูกต้องแล้วก็ทำต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ผู้นั้นจ ะ, ะสลัดความดีใจ ความเสียใจออกได้สลัดความพอใจไม่พอใจออกได้สลัดได้เลยแต่คนไหนที่ไม่มาเจริญสติปัญสีอย่างถูกต้องเราจะสลัดไม่ได้มีเท่าไหร่รับเท่านั้นนะเพรานั้นเองก็พวกเราจึงได้เสียสละเวลามานอนอ้างค้างแรมอยู่ที่วัด อ, อดหลับอดนอนอด อ, อาหารที่ถูกปากอ เราก็ลงทุนนะเป็นการลงทุนเป็นการเสียสละเพื่อได้สิ่งที่ดีทีนี้พวกอาตมาภาพในฐานะเป็นพระเจ้าผู้สูงนี่ก็เหมือนกับเป็นผู้ที่อแนะทางว่าเออทางที่จะเอาคือทางนี้นะในฐานะที่ทำมาก่อนก็บอกทางว่าเออทำที่ทางเนี้ยมันจะได้อย่างนี้ทำนี้มันจะได้อย่างนี้นน อ, อก็มาบอกทางแล้วก็พยายามพาธรรมทั้งวัน นั่นวันนี้เราทําทั้งวันเป้า<อ><อ>หมายเราต้องการสิ่งที่ดีๆใช่ไหมแต่เวลาทําแล้วมันมีแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นทั้งตลอดเวลาไหมหใช่ไหมมันก็สลับกันเกิดเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวม่วงเงาเดี๋ยวผ่องใสเดี๋ยวเศร้าหมองเดี๋ยวผ่องใสเดี๋ยวอ่าตื่นเดี๋ยวหลับสลับกันไปอยู่อย่างนั้นแหละทั้งๆที่ว่าเราพยายามจะเอาส่วนที่มันไม่ดีนั่แห่ ส่วนที่มันดีนะแต่ส่วนไม่ดีมันก็เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะดีมันก็มาจากไม่ดีนั่แหละมืดมาจากอะไรก็มาจากสว่างสว่างมันก็มาจากมืดนี่แหละอถ้าเราไม่มีมืดเราก็ไม่รู้จักสว่างถ้าเราไม่มีสว่างเราก็ไม่รู้จักมืดอถ้ามันไม่มีง่วงเราก็ไม่รู้จักตื่นมันไม่ตื่นเราก็ไม่รู้จักง่วงนี่และมันก็มาด้วยกันอเพราะมันมีคิดึมันจึงมีไม่คิดนี่แหละ พอมันมีคิดดีคิดไม่ดีมันก็มาด้วยกันถ้ามีคิดไม่ดีคิดดีมันก็มาด้วยมันเป็นของคู่กันนะทีนี้เราจะทำไงที่จะไม่ทุกข์กับมันอันนี้แหละเรื่องสำคัญกลางคืนกลางวันมีทำไงกลางวันมาก็ไม่ทุกกลางคืนมาก็ไม่ทุกนะฟ้าฝนแดดลมมีแต่มันมาเราก็ไม่ทุกข์ด้วยมันไม่มาเราก็ไม่ทุกข์ด้วยนะคน ด่าว่าสรรเสริญด่าว่าก็มีคนสรรเสริญก็มีคนนินทาก็มีคนสรรเสริญก็มีนะคนหวังดีกับเราก็มีหวังร้ายกับเราก็มีก็มีอยู่แต่เราไม่ทุกกับสิ่งเหล่านี้ยได้ไหมได้นั้นต้องมาฝึกนะมาฝึกการขิดใจฉะนั้นเองพวกเราทั้งหลายที่ว่าโชคดีที่มีโอกาสได้ <c oughs> ได้มาศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะที่อำเภอแม่สอดเนี่ยได้ข่าวว่า เมื่อก่อนมีการเปิดอบรมก็เป็นประจำ <c oughs> ที่สํานักแห่งหนึ่งเนี่ยต่อมาก็ขาดหายไปแล้วก็มาเริ่มกันใหม่สําหรับชาวบ้านทั่วไปนะซึ่งก็ตามวัดต่างๆเ้าก็จัดให้มีอยู่แล้วแนหะแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปอืมดันั้นเราทมาเองก็มาที่นี่เป็นครั้งที่สองก็เห็นว่ า, าชาวจังหวัดตากหรืออําเภอแม่สอดเนี่ย ก็มีความปลักไฟใส่ใจกับเรื่องเหล่าเนี้ยมากทีเดียวนะคือคนมีมีความมีกุศลในจิตรู้จักนะคือรู้จักให้ทานรักษาสินเจริญภาวนาครบส่วนใหญ่ก็เรียนรู้จักได้ให้ทานรักษาศินก็ไม่ค่อยมีการรักษาสินกับภาวนานี่มาด้วยกันนะที่นี่ไปรักษาสินแปดสินห้าสิแปดที่วัด <c oughs> ในวันพระเนี่ยอามาไม่แน่ใจว่าจะรักษาได้หรือเปล่า ก็ส่วนใหญ่ก็จะไปอไปรักษาประเพณีแต่ว่ารักษาศีลเนี่ยคจริงรักษาศีลเนี่ยมันรักษาที่บ้านก็ได้นะรักษาศีลก็คือรักษาอะไรรักษากายรักษาใจเนี่ยรักษากายไม่ให้ไปทําตายไปไม่ให้ไปเบียดเบียนใครนี่ก็ถือว่ารักษาศีลแล้วไม่ต้องว่าเออต้องค่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่กระพืดผืนในกรรมไม่ต้องว่าอย่างไงก็ได้ รักษากายไม่ให้ไปเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นก็ถือว่ารักษาศีละรักษาใจไม่ให้ไปคิดร้ายต่อตนเองและผู้อื่นก็ถือว่ารักษาศีลละรักษาที่ไหนก็ได้เนี่ยแต่ว่าการที่เราจะรักษาอย่างนั้นได้ตลอดเวลาเราจะต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นเรียกว่าสตินะคือสติต้องตั้งสติตั้งใจทำ ตั้งใจว่าจะไม่ทำอย่างนี้ตั้งใจจะไม่ทำร้ายดังนั้นในปัจจุบันนี้ต้องถือว่าเราต้องขวนขวายหาสิ่งนี้เป็นพิเศษเพราะอะไรเพราะว่าปัญหามันเยอะขึ้นต้องยอมรับปัญหามันเยอะขึ้นแ้เมื่อก่อนปัญหาไม่เยอะขนานี้ปัญหาเรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องภรรยาเรื่องเพื่อนร่วม ง, งานเรื่องการเรื่องงานเรื่องอาชีพเรื่องเศรษฐกิจการเมืองสังคมอะไรมีแทบทุกด้าน นทีนี้เมื่อมันมีปัญหาเหมือนกับว่าในบรรยากาศเนี่ยมันมีฝุ่นมีฝงมีอากาศไม่ดีอยู่เยอะเราจะเป็นจะต้องป้องกันตัวเหมือนกันเมื่อปัญหาในสิ่งที่ทําให้เหตุเป็นเหตุให้ทุกข์เนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปเราจะทําอย่างไรกับมันน่ะเราจะทําอย่างไรกับมันอำไมเองได้ทําเรื่องนี้มาไม่ต่ํำกว่าสามสิบปีแล้ว ตอนแรกทําให้ตัวเองก่อนนะตัวเองแล้วก็เป็นทุกข์เหมือนโยมนี่แหละถึงเวลาถ้มีปัญหาก็ทุกข์มีอะไรมากระทบก็ทุกข์ทุกข์แล้วรู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีความหมายนะชีวิตมันไม่มีค่าอะไรมานั่งทุกข์นอนทุกข์กินก็ทุกข์ไปก็ทุกข์อยู่ก็ทุกข์ชีวิตไม่มีความหมายรู้สึกว่าไม่รู้จะอยู่ไปทําไมเมื่อชีวิตเป็นทุกข์ ก็เลยหาวิธีนะหาวิธีออกก็เลยการมาบวชบ้างการมาเจริญภาวนาตอนแรกก็ทำสมถะภาวนาแลเริ่มต้นแบบอนุบาลเริ่มต้นแบบสนโมกกันนะนับลมหายใจนะหายใจเข้าหายใจออกนับหนึ่งสองสามนับเป็นคู่บ้างนับเป็นคี่บ้างนับไปนะับมาก็จิตก็สงบบ้างไม่สงบบ้าง บางวันมันก็ฟุ้งซ่านบางวันมันก็สงบสลับกันไปแต่ว่ามันทำไม่ได้ตลอดเพราะอะไรเพราะเรามีการมีงานต้องทำเวลาเราไปทำการทำงานเรื่องที่เรามานับลมหายใจมันก็หลุดไปมันหลุดไปทำต่อไม่ได้เมื่อทำภาวนาไม่ต่อเนื่องเรื่องที่มาจาัด ก, การความคิดมาจัด ก, การกับอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายเนี่ยมันก็ทำยาก แล้วก็ทำยากก็พยายามทําแต่ก็ไม่สําเร็จเพราะอะไรเพราะมันมันยากตรงที่ว่าพอนั่งหลับตาสงบไปหน่อยมันก็ถ้ามันไม่ได้สติมันก็หลับวันไหนมันได้สติมันก็สงบเเผาชานไปเลยสลับไปสลับมาบ้างอยู่อย่างนี้แหละแค่ว่าเวลาเราออกไปทําการทํางานมันก็ฟุ้งซ่านเหมือนเดิม เออแสดงว่าเราอาจะทำไม่ไม่ได้้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากทานับลมหายใจเนี่ยมาทำหนอดูบ้างโยก้นหนอย่างหนอลงหนอเหยียบหนอแตะหนอเหยียบหนอทำอย่างนี้เป็นปีๆเหมือนกันนะอ่าเวลาเราไปทำการทำงานมันก็ลืมละลืมกรรมฐาน่ะนึกไม่ได้ละ เอมันก็ออกไปใช้ไม่ได้ใช้ไม่เป็นอีกแต่ว่าความทุก hm ข์และปัญหาก็มีมาเรื่อยๆเรื่องที่ปีเรื่องให้คิดให้เครียดให้ปวดให้เกลียดให้เครียดให้คุณได้ทุกเวลามันก็ไม่สบายนะกายก็ไม่สบายใจก็ไม่สบายหาต่อไปอีกในที่สุดก็มาพบวิธีการเคลื่อนไหวเนี่ยซึ่งไม่เคยเจอมาก่อนนะตลอด ที่บวมาสิบกว่าปีไม่เคยไม่เคยเจอแบบนี้พอมาเจอแล้วโอ้เอ้มันเข้าท่าดีไม่ต้องนั่งหลับตาแล้วก็ไม่ต้องตั้งนั่งขัดสมาธิขาซ้ายทับขาขวาไม่ต้องนั่งอย่างไรก็ได้เออแล้วก็ไม่ต้องเลือกเวลาว่าจะทำเมื่อไหร่ทำเมื่อไหร่ก็ได้ทาที่ไหนก็ได้เอาเวลาไปทำงานก็ทำได้เลยเออ แต่เวลาไปนั่งหลับตาหรือไปหมกลมหายใจเนี่ยเวลาไปทำงานเนี่ยมันทําไม่ได้นะเพราะเวลาทํางานมันต้องลืมตาใช่ไหมแต่พอมาทําวิธีการองวัฒเทียนเนี่ยทําได้ตลอดเวลาอเวลาเราจะดื่มน้ําเงี้ยก็ไม่ได้คิดว่าเราดื่มน้ํานะเราจะเจริญสติภาวนาแล้วก็กําหนดรู้ที่มือแล้วก็จับมันทําได้เลยอะ่ะมันไม่ต้องเออเดียวดื่มน้ําก่อนเดี๋ยวค่อยไปภาวนาไม่ต้อง จำน้ำก็ภาวนาดื่มแล้วก็ตามรู้ว่าเออน้ํามันเข้าปากไปแล้วมันรู้สึกยังไงแล้วมันไปถึงไหนบ้างแล้วก็วางเนี่ยภาวนาจบละเนี่ยมันง่ายอย่างเนี้เอยทําเรื่องใหม่อีกจะ อ, อะไรก็อาจจะกินข้าวก็ลืมกินข้าวก็ไม่ถือว่ากินข้าวเป็นการภาวนาโอ้ข้าวทาเลยสนุกเลยที่ทางานกับภาวนาไปด้วยทํางานว่ามันก็เลยเห็นหน้าเห็นหลังไวทีเนี้ยมันก็เลยสนุก ในการปฏิบัติทําอะไรก็เป็นการภาวนามหมดเลยเมื่อก่อนนี้ไม่ได้เวลาจะภาวนาต้องไปนั่งหลับตาเข้าสมาธิก่อนถึงจะเป็นการภาวนานะแต่พอมาเจอวิธีการของโมเทียนแล้วท่านบอกว่าภาวนาได้ตลอดเวลาจะกินข้าวอาบน้ําซักผ้าเช็ดบ้านกวาดบ้านถูเรือนอเก็บผักหากฟืนทําไร่ทําสวนทํานาทําได้ตลอดเวลาแล้วไม่ไม่ต้องไปนั่งสงบหรืว่า จิตของเราให้มันไปกับกายเนี่ยมันสงบอยู่แล้วแต่ที่มันไม่สงบเพราะกายกับใจไม่ได้ไปด้วยกันมันไปคุณทานบางทีนั่งสงบหลับตาอยู่ตรนี้แต่ว่าใจมันไปฟุ้งไปฟุ้งฝันที่ไหนไม่รู้มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นเห็นไหมนั้นการภาวนาจึงไม่ได้หมายถึงท่าทีที่จะต้องทำแบบนั้นแบบนี้แต่มันหมายถึงการเอาตัวภาวนานั้นไปใช้กับชีวิต มาก็เโอ้พอเห็นเท่นนี้ก็เลยทําทํามาเรื่อยๆตั้งแต่พศสองพันหนเป็นต้นมาทํามาทํามาทํามาจนกระทั่งทุกพอ เ, เห็นก็ทุกรอดลงไปลดลงไปรไปอดไเพราะมันทําแล้วยิงสนุกเหมือนเราทานอาหารที่มันถูกปากยิ่งทานแล้วก็ยิ่งอร่อยยิ่งอร่อยแล้วก็ทําให้ร่างกายเข้มแข็งทําการทํางานได้ดีจิตใจของเราหลังจากที่รู้สึกว่าได้ทํากรรมาฐานเนี่ยทุกจิตมันเป็นบวก ว่าเราทำอะไรก็ทำกรรมฐานแต่ถ้ามีเรื่องที่มันไม่ใช่บวกขึ้นมาบางครั้งคนม า, าเข้าใจเราผิดดาว่านินทาตำหนิติชินเนี่ยลรวรู้สึกอย่างไรในลักษณะเงี้ยบางครั้งโอกาสที่เข้าใจผิดกันมันมีใช่ไหมเราก็ฟังฟังเฉยๆเมื่อก่อนเราไม่ฟังเฉยๆนะเราสวนเลยใช่หมเราสวนกันเรียกว่าได้ได้ ได้เถียงกันเลยว่าันนะแต่ที่เราฟังเฉยๆอ่ฟังแล้วฟังเขาพูดจบแล้วแล้วยังไงต่อถามว่าอ่าอธิบายเหตุผลขออธิบายหน่อยได้ไหมได้เดี๋ยวเราก็อธิบายไปเบอกเออไม่ฟังเขาค่อยไม่ฟังก็ไม่เป็นไรสบายดีนะฮะพอบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็เรื่องทุกเรื่องก็เลยมันไม่มีปัญหาหมดเลยนะอ่าโดยเฉพาะญาติโยมบางคนก็เข้าใจเราบางคนก็ไม่เข้าใจเราแล้วก็ เราให้เขาว่าไปแต่เมื่อก่อนไม่ได้นะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยสวนกันทันทีเลยนะั้นได้ตลกถกเถียงกันเป็นเรื่องเป็นราวแต่หลังจากปฏิบัติอย่างนี้มาเรื่อยๆอะไรก็ตามไปทําให้ใจของเราไม่สบายนะเราจะไม่รับนะมันรู้มันรู้อย่างนั้นนะ่ะมันเลือกแล้วอะ่ะเมื่อก่อนมันไม่เลือกอะไรตกเข้ามาก็ งับทันทีเลยบางท่านแต่เดี๋ยวนี้อะไรเข้ามาป๊อปเลือกก่อนนะเอาจะเอาไม่เอาดีนะเออนี่ไม่เข้าท่าไม่เอาก็ได้น่ะฟังได้แต่ว่าไม่เอาเข้ามาใส่ใจนะมันก็เลยโอ้ชีวิตนี่เลือกได้มันก็ยิ่งกว่าถูกหวยเนาะที่นี้เนาะมันไม่ต้องเอาอะไรแล้วเพราะมันมีความจิตไม่สบายอ่ะจิตสบายจิตมีความสุขแล้วจะไปเอาอะไรอีกไงใช่ไหมมันก็เริ่มบอกเรื่องนี้ให้โยมเออยโยมลองทําดูที่เนี่ยมันสบายนะ บอกให้โยมแม่ก่อนเลยที่เราไปเมื่อวานนะต่อมาก็บอกให้คนนั้นคนนี้บอกให้คนที่เขารับได้นะคนที้เขารับไม่ไดแ้แล้วก็ไปบอกเขาให้เสียเวลาเขาก็ไม่รับอยู่ดีแหละแต่บางคนเขาเริ่มรับไปเรื่อย ๆ, ๆในที่สุดก็กว้างขวางออกไปจากเมืองอ่าบ้านเราก็ขยายออกไปต่างประเทศไปเรื่อยๆเอาไปหาคนที่เขารับอะ่ะแต่เรื่องนี้ไม่ใช่รับง่ายนะ ไม่ใช่รับไปง่ายๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องจะว่าแปลกก็ไม่ใช่เจะว่าใหม่ก็ไม่เชิงแต่ว่าเป็นเรื่องที่เขาไม่เคยในประเทศไทยเนี่ยที่สอนกันว่าภาวนาต้องทําอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเมาทําแบบนี้เป็นเรื่องประหลาดนะแต่เดี๋ยวนี้เริ่มรู้จักกันเยอะแล้วนะเออพูดถึงเรื่องเคลื่อนไหวนี่ใครก็รู้จักแล้ะยกมือเขาก็เขาก็รับรู้นะแต่ว่าเขาจะทำหรือไม่ทำํำนี่เขาไม่ใช่ง่ายในแต่ละพรรษาเนี่ยมีพระมา บทปฏิบัติกรรมมาก็งคนบางคนก็บางองค์ก็รับไม่ได้อบางทีชอบอยู่แต่รับไม่ได้จะมานั่งทําเป็นเรื่องไปราวเนะี่ไม่ได้เขาก็นั่งหลับตามนของเดิมของเขานั่นแหล ะ, ะเราจะไปว่าเขาไม่ได้เาเขาไม่รับ่ะนะ <c oughs> <c oughs> เราก็มีหน้าที่บอกนั้นญาติโยมมาทำก็เหมือนกันให้ที่ที่มาในโชคดีทุกคนรับได้เลยนะทั้งคนเก่าคนใหม่นะเดังนั้นในการปฏิบัติเราจะทําอย่างไรเราจะรู้เป้าหมายเหมือนกันนะ พอเจริญสตินี้เพื่ออะไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนี้ว่าเอกายนมัคโคสตานังวิสุทธิยาโสกปริเทวนังสมติกมายะทุ้กระทมนัสสานังอัตถังคมายะนิพพานชฉจิกรณขายะนี่ท่านตรัสว่าอย่างนี้ว่าทางนี้เป็นทางเดียวเอกายนมัคโคทางนี้เป็นทางเดียวที่จะทําให้หนึ่งชำระจิตใจให้สะอาดสอง ถ้ามีความทุกข์ถูกเข้าเศร้าหมองก็ข่า ม, มันได้สความสุขทุกข์ในกายในใจเนี่ยสลัดทิ้งได้ 4. เข้าถึงทำได้ง่ายหําทำจิตนี้ให้หมดทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงให้เจริญมีทางเดียวคือเจริญสติเท่านั้นถ้านอกจากเจริญสตินี่ห้าอย่างนี้ทำไม่ได้ อันนี้ท่านตัดนะเอาไว้ในติปฐานสูตรนะไปอ่านดูหนึ่งถ้าทําอย่างนี้แล้วเนี่ยสามารถชําระจริตให้สะอาดได้ท่านใช้คำว่าสัตตานังวิสุทธิยาว่าชําระจริตของสัตว์ทั้งหลายให้สะอาดได้เทะฉะนั้นในในจิตของคนเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็ิดของคนเท่านั้นนะมันจิตของสัตว์ทั้งหลายทั้งในในเกิดในใจของเราเนี่นะบางครั้งเราเป็นจิตโมโหขึ้นมาเนี่ยเราเป็นคนอยู่ไหมไม่เป็นแลเป็นอะไร เป็นยากล้วใช่ไหมเออเป็นสัตว์บางครั้งเรียกเลยว่าเถียงกันตาตูกตาแดงตอนนั้นเราก็ไม่ใช่คนแล้วนะเป็นอะไรเอ่ออะไรที่มันชนชนใช้เขาใช้งานชนกันอ่ะเป็นนย่านั้นแหละนะบางครั้งเราก็อยากได้ของเขานะอยากได้อนั้นมีการแอบพิลากลักขโมยมีการอัชอบมีการโกงตอนนั้นเราก็ไม่ใช่คนแล้วนะแล้วก็เป็นเปรตละนะบางครั้งเราก็ไป หลอกลวงคนอื่นอหลอกลวงคนตัวนั้นก็ไม่ใช่คนเพราะฉะนั้นในเนี่ยมันมีสัตว์ต่างๆมาผ่านพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช้คําว่าชารจิตของคนทั้งหลายให้สัตว์ท่านไม่ใช้ท่านใช้ชารจิตของคนให้หมดจากความเป็นสัตว์นะจิตของมนุษย์ให้หมดจากความเป็นสัตว์สัตว์เปรตสัตว์อสุรกายสัตว์มนุษย์สัตว์เทวดาสัตว์พรหมนะสัตว์สวรรค์สัตว์นรกที่มาเกิดในใจตลอดเวลา เพราะนั้นโบราณเขาก็เลยบอกว่าสวรรค์นในอกนรกในใจไม่ได้บอกว่าสวรรค์นบนฟ้านรกใต้ดินนะที่พุทธเจ้าบอกนะแต่ที่เราเอามาเขียนบอกว่าสวรรค์นบนฟ้านรกใต้ดินเขาม่เขียนที่หลังนะ่ะแต่พุทธเจ้าบอก <c oughs> สวรรค์น <c oughs> ในอกนรกในใจคาถาลับรองว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเสถามโนเมยาเมณายซาปุุเทศนาภาสาาาติวากาลติวะจัตโตนังทุกเมนเวติจักกังวะวหาโตประทังจิตเนี่ยเป็นใหญ่เป็นประธาน นะจะไปนรกก็จิตจะไปสวรรค์ก็จิตจะไปนิพพานก็จิตเพราะนั้นท่านบอกชําระจิตให้ให้ดีแล้วอยากจะไปสวรรค์ก็ได้นิพพานก็ได้จะไปนรกก็ได้จิตพาไป <c oughs> ไม่ได้บอกว่าพระนําไปนะพระนําไปสวรรค์พระพาไปดูสวรรค์พระพาไปดูนรกนี่พุทธเจ้าไม่ได้สอนนะพุทธเจ้าไม่ได้สอนเราก็มาว่าเอาทั้งนั้นนะเราก็เชื่อกันเป็นตูวเป็นต่า ดังนั้นเองหลังจากที่ได้พบหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนท่านสอนง่ายๆนะสอนไม่ยากเอามาไปหาท่านครั้งแรกท่านสอนว่าไง่มาถามท่านหลวงพ่อผมอยากจะรู้เรื่องรูปนามเพราะอาจารย์ไปหาอาจารย์กรรมฐานที่ไหนก็อขอขอกดนามคนนี้ไปหาอาจารย์กรรมฐานตรงไหนก็บอกดือว่าถ้าหากไม่รู้จักรูปจักนามเนี่ยปฏิบัติวิปัสนาไม่ก้าวหน้าเหมือน อกมาแค่จำแค่เนี่ยถ้าไม่รู้จักรูปนามปฏิบัติวิปัสนาไม่ก้าวหน้าเมื่อปฏิบัติวิปัสนาไม่ก้าวหน้ามันก็ดับทุกข์ไม่ได้เอ๊งั้นเวลามาไปหาอาจารย์ก็มาถามรูปไหนเคยถามเป็นเรื่องรูปนามก่อนนะอันดับแรกนะเพราะเรายังไม่รู้จักรูปนามพอไปถามหลวงพ่อเทียนว่าหลวงพ่อผมอยากจะทราบคําถามแรกเลยนะที่เจอท่านผมอยากจะทราบเรื่องรูปนามเป็นอย่างไรท่านไม่อธิบายอะไรเลยนะบอกยกขวดน้ํา ม, มา แล้วท่านก็บอกว่าเออถ้าผมผมเปิดขวดนี่นะแล้วผมโยนทิ้งไปเนี่ยเป็นไงยังตอบได้ไหมอย่างเงี้ยพอเปิดเปิดฝาขวดแล้วโยนขวดทิ้งไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นตอบได้ไหม น, วว น, ไน้ำก็ไหล ห, หมดใช่ไหมอ่ารย์บอกเออทั้งั้นผมปิดผมปิดอันที่นี้โยนไปอีกทีนึงเอมันไม่ออกไงเพราะอะไร เวลาปิดมันไม่ออกเวลาเปิดมันออกเพราะอะไรมันขึ้นกับอะไรเพราะในขวดนั้นมีน้ำใช่ไหมแล้วก็มีขวดแล้วก็มีอะไรพวกมันมีฝามันสามส่วนนียส่วนไหนสำคัญที่สุดเอขวดก็มีฝาทำไมไม่เอาขวดเปล่าไว้ที่บ้านนะ <c oughs> อ่าไม่ใี่ฝามีน้ำขวดเป็นองค์ประกอบกันนะท่านบอกว่า ถ้าโยนขวดน้ำมันออกเพราะไม่มีฝาถ้าหากปิดฝาน้ำมันไม่ออกเพราะที่อยู่ที่ฝาเพราะฉะนั้นไปหาฝาขวดมาโอ้ตอแค่นี้แหละใช้เวลาหาหลายปีกาจะเจอฝาหาหลายปีเติบนะหล า, ายปีเติบหมายความว่ามื่อผลนิพพานเนี่ยเหมือนน้ำในขวดมีอยู่ในใจของคนทุกคนแล้ว ขวดนั่คือรูปน้ำอันนี้มาได้ทีหลังนะเก้าปีผ่านไปถึงได้คาตอบไม่ใช่สามวันอย่างโยมนะเพราะพระนีะ่หนาวกว่ายมเยอะเลยนะเพราะอะไรเพราะพร ะ, พร ะ, พระนี่สมมุติมัเยอะไงเขากลับไหว้ทุกวันเขาให้อาหารทานฟรีทุกวันขอสร้างวัดให้อยู่ทีนี้มันก็เลยเป็นนี่เยอะอะพระนี่เป็นนี่โยมเยอะนะเพราะอะไรของฟรีเท่านั้นอะนะโยมไปอยู่ ที่บ้านอย่างนี้ที่สบายเงี้ยโมวั น, ว, นวันหมดหลายหมืน่นนะั่นน่ะใช่ไหมแต่พระไม่ได้เสียสมบัติเลยเนี่ยใช่ไหมเออพูดถึงความจริงนะั่นแสดงพระเป็นนี่โยมเยอะเลยเพราะนั้นพระจะบุรูษทายากหน่อยนะเพราะเป็นนี่เยอะแต่โยมไม่ต้องไปเป็ในนี่ใครใช่ไหมอันนี้มันยากแต่ถ้าหากว่าหลังจากใช้นี่หมดแล้วสมบัติทั้งวัดจะเป็นของพระหมดเลยนะ <laughs> <laughs> <laughs> แล้วก็มีแจกโยมตลอดเลยนะทีเนี้เพราะนันเราก็ใช้เวลาหา ก็มารู้ทีหลังว่าอ๋อเราหาลูกดามมีอยู่แล้วคือตัวเรานี่คือขวดความสุขมีอยู่แล้วมรรคผลนิพพานมีอยู่แล้วคือน้ําในขวดแต่สิ่งที่เราไม่มีคือฝาเราไปหาฝามันมาเพราะขวดไม่มีฝาล้มทีใดน้ําหมดทุกทีใจของเราเหมือนกันไม่มีสติถ้ามีอะไรมาชนตาหูจมูกลิ้นกายใ จ, ใจล้มมันก็ไปกับไปกับความคิด ไอ้ที่มันไหลออกคือความคิดนะนั่นะะนะอะไรกระทบ ป, ปั๊บคิดไปเลยนั่นหมายความขวดล้มแล้วแต่วันนี้ลรมวี่งข้างขวดนับไม่ทวนเพราะไม่มีสติล้มทีไหนน้ำหายหมดขวดเลยนะน้ำหายหมดขวดอา้าวรอให้มันขึ้นมาใหมาอ่อีกล้มมาอีกวันหนึ่งล้มเป็นน้บไม่ท่วนะ่ะแล้วหาสติได้ไหมหาฝามม่ได้ไหมวันนี้ ได้แต่ว่ามันไม่มีเกลียวนะเอาขวดมาอีกทีมาจะมาดูว่าเดี๋ยวขวดที่มันมีมันมีกี่เกียวถ้ามันถ้ามันปิดเข้าไปเฉยๆโดยที่ไม่มีเกลียวล็อกเนี่ยจะอยู่ไหมบางทีก็อยู่เงินอัดแน่นนะแต่ถ้ามันตกไปแรงๆมันกระดอนออกเลยใช่ไหมมันจะต้องมีเกลียวนี่ล็อกแล้วส่วนใหญ่มันมีกี่เกียวมาก็ดูมันมีสามเกียวนี่เห็นไ้มสามเกลียวถึงล็อกสองเกลียวก็ล็อกไม่อยู่ ก็ตัวสตินเนี่ยก็จะต้องมีสามเกลียวมีมีศีล ม, มีสมาธิมีปัญญาเป็นตัวล็อกเอาไว้ถ้าสติทุกคนมีสติอยู่เรียกว่าสติสัญชาตญาณโยมเกิดมาเนี่ยต้องมีสติมีรู้ความรู้สึกตัวนะถ้าไม่รู้สึกตัวนี่หมอทำไงหมอก็ตกเลยใช่ไหมตกกล่อนอย่างแรง กระตุกกล้วอย่างแรงเด็กร้องว่าไงอวัยแต่ภาษาอังกฤษเรียกว่าอาแวนะฮะเรามาเรียกว่าอวัยใชอาแวไปว่ารู้สึกแล้วรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะเรามาภาษาของเราอวัยอวัยแต่ความจริงนะภาษาอังกฤษเขาเอาแวอาแวฉันรู้สึกตัวหมอตกกล้วเปียถ้าเด็กคนไหน เกิดออกมาเราหัว้องให้ให้ไปไงหมอโยนทิ้งเลยทีหลอกเกิดมาเราร้องให้ปกติว่าแต่ว่าฉันรู้สึกตัวแล้วรู้สึกว่ามีทุกข์นะเกิดมารู้สึกว่ามีทุกข์ต้องร้องให้นะเรามีมาตั้งแต่เกิดแต่สติตัวนั้นเป็นสติที่เหมือนฝาขวดแต่ว่าไม่มีอะไรไม่มีเกลียวนะเพราะนั้นเรามาที่นี่มาสร้างเกลียวนะฝาขวดโยมก็มีอยู่แล้วแต่มาสร้างตัวนี้ นะมาสร้างเกลียวสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาเพื่ออะไรเพื่อจะล็อกสตินี้ให้อยู่ถ้าล็อกสติไม่อยู่เนี่ยตัวมรรคผลนิพพานที่เหมือนน้าในขวดมันไหลหนีหมดมันไหลไปกับอะไรไหลไปกับความคิดอ่าความคิดนั่นถ้าหากว่ามีมีตัวสติอยู่ความคิดมันก็จะน้ํา มันไหลไปมันก็จะไม่ปนกับดินกับฝุ่นความคิดตัวคิดตัวรู้ถ้ามันไปปนกับตัวกิเลสเหมือนกับน้ํามันไหลแล้วออกไปปนกับฝุ่นมันก็เปื่อนมันไหลไปแล้วกลับมาคืนมาได้ขวดเหมือนเหมือนเดิมไหมน้ําอ่ะไม่เหมือนเดิมเพราะตัวรู้ของเราเนี่แหละพอมันไปปนกับรูปเสียงกิเลสสัมผัสอารมณ์มันปนแหละ มันก็จะกลับเข้ามาไม่เหมือนเดิมแล้วมันกลายเป็นกิเลสความรู้นั่นกลายเป็นกิเลสเมื่อมันไป ป, ไปปนกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไปปนกับตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนั้นคือฝุ่นของมันพอไปปนกันแล้วน้ําเอากลับมาไม่ได้กินไม่ได้แล้วต้องเอาไปกลั่นเอาไปกรองกลับมาใหม่นะเพราะฉะนั้นปริศณาปัญหาของโคเทียนให้ครั้งแรกออกมาก็เลยเข้าใจแล้วก็ตั้งแต่นั่นมาก็ ไม่สงสัยไม่แต่ถามอะไรก็มีแต่ปฏิบัติตามอย่างเดียวละคือได้ดวงตาละนะว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เองตลอดเวลาเราก็มีแต่มารักษานะฝาล็อกด้วยสติสมาธิปัญญาให้ดีน้ำเราจะดื่มเมื่อไหร่ก็ได้เราก็เติมเรื่อยๆไอการที่จับความรู้สึกตัวแล้วก็เติมน้ำใช่ไหมโยมโยกมือแต่ละครั้งนะ่เหมือนกับโยมเติมน้า ไปเนขวดขยันเติมแต่ว่าไม่ได้ปิดไฟไม่ได้ปิดฝาหรือปิดเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีเกียวล็อกล้มทีใดหลุดที่นั่นลมทีใหลุดที่นั่นเพราะฉะนั้นเรามานี้เรามาเติมศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่จะให้เอาสติอยู่และมาเติมความรู้สึกตัวเพื่อให้มีมรรคผลนิพพานมันมีอยู่เติมไปเรื่อยๆ นล้ววันนี้หาแหล่งน้ําไว้ก่อนหารู้จักจับความรู้สึกไว้ก่อนแล้วตัวความรู้สึกตัวมันจะไปสร้างตัวศีลตัวสมาธปัญญาและเมื่อศีลปัญญาสมบูรณ์แล้วตัวน้ําข้างในนี้ก็จะสะอาดมันก็เป็นตัวกรองกันไปในตัวดังนั้นยอดเยียมทั้งหลายเรื่องของปฏิบัติธรรมอย่าไปคิดว่ายากแต่ที่ยากนั้นบางทีเราไปเข้าใจไม่ถูกไปอ่านหนังสือ เขาก็บอกไปอย่างหนึ่งอาจารย์องนี้ก็ว่าไปอย่างหนึ่งอาจารย์องค์นั้นก็ว่าไปอย่างไปร้อยอาจารย์ก็ว่าไปร้อยอย่างนะมันก็เลยไม่รู้จะเชื่อใครนะแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกตรงๆบอกตรงๆว่าตัวสติเท่านั้นแต่ว่าสติที่จะทําให้ได้อย่างเนี้ยต้องประกอบด้วยสี่ฐานนะไม่ใช่ว่านึกขึ้นมาแลอยๆเป็นสติไม่ใช่ ฐานที่หนึ่งก็คือฐานกายฐานกายนี่ท่านให้พิจารณาพิจารณาด้วยสติเนี่ยหกหกที่หนึ่งลมหายใจเข้าออกตลอดเวลานะก็ให้ลึกลึกรู้แต่ว่าไม่ต้องมานั่งอ่าสูตรยุบพองหรือพูดโทรเป็นพิเศษองนะมันเข้าออกมันได้ตลอดเวลาเพียงแต่เอาสติไปตามรู้ก็พอแล้ว วิธีการหลวงพ่อเทียนก็ให้รู้นะรูดลมหายใจแต่ให้รู้เฉยเฉยไม่ต้องบริกรรมอะไรไม่จ้องว่าบริกรรมนั่นบริกรรมนี้ให้รู้เฉยเฉยบนเข้ามันออกแค่นั้นพอเ ล, ลึกพอนึกขึ้นได้ก็รู้เข้าออกนี่อันที่หนึ่งนะในดูกายดูกายมีดูหกส่วนส่วนที่หนึ่งคือดูลมหายใจเข้าออกสั้นยาวส่วนที่สองดูยืนเดินนั่งนอนที่พาทำวันนี้ทั้งวัน่อาไหม จะยืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างให้ดูว่าเออวันนี้กรานั่งใหานั่งรู้สึกยังไงสบายหไม่สบายแก้ไขไปยืนไปงไงรู้สึกสบายไม่สบายก็ปรับไปเดินนั่งแล้วก็นอนนอนสบายไหมวันนี้ได้นอนด้วยใช่ไหมได้สบายไหมอ่ะทำไมไม่นอนให้ตลอดละ่ะสบาย ท, ทาไมต้องลุกขึ้นมาด้วยแต่ <laughs> มันไม่มีสบายอยู่ด้วยเนะี่ยต้องลุกขึ้นมาด้วยนะ มันก็จะมีความทั้งสบายไม่สบายอยู่ในตัวยืนเดินนั่งนอนก็มีสบายไม่สบายนี่ให้พิจารณานี้แล้วก็อันที่สามให้พิจารณาว่าในอิบทยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเรามีอย่างอื่นด้วยไหมข้ับตามีไหมอาปากมีในนั่งเนี่ยมันมีอีกตั้งร้อยอย่างใช่ไหมนั่งอยู่ข้าตาก็ได้อาปากก็ได้เหลวไสอะไรข้อกลมเงยหยิบหยับเฉยเฉวได้หมดมีตรงนี้เรียกว่าอิบทย่อยให้รู้ด้วย ในอิริบุใหญ่คือสี่อย่างเนี่ยมีอิริบุย่อยแฝงฝังอยู่เป็นเร้อยๆอย่างยืนก็มีอิริบุตรย่อยมีการเฝ้ารัวนะมีบทย่อยภายในเยอะแย่เลยนะที่เรามองเห็นมองไม่เห็นเช่นภาพตาอ้าปากหายใจโดยวใจอะไรหัวชีพจรเต้นการเาลือล่ออะไรลื่นเคลื่อนไหวของธาตุสี่ดินน้ําลมไฟอยู่ในนี้หมดให้พิจารณา เรียกอินบดย่อยต่อไปก็พิจารณาว่าในในตัวของเราเนะี่ยมีอาการอยู่กี่อาการมีสามสิบสองอาการใช่ไหมอาการของตาของอผมเลือฟันหนังอาการสามสิบสองอ่ะมัทเกมัถลุมคังไปไปทั้งหมดเลยเส้ใหญ่เส้น้อยอาหารใหม่อาหารเจ้าตับไตพังพืชเองต่างๆให้ให้แต่ว่าทั้งหมดไม่จะพิจารณาทิ้งแต่อย่างนะแต่ให้ดูอาการมันมีกี่อย่างอาการของอาการสามสิบสองเนี่ยมันมีกี่อย่าง มีแค่สามอย่างหนึ่งอาการรู้สึกสบายสองในความสบายนี้มีอะไรอยู่ด้วยมีความไม่สบายอยู่ด้วยสามเวลาเรายกเราเปลี่ยนเนี่ยมันระหว่างความสบายไม่สบายเชื่อมต่อกันมีสามอาการหนึ่งสบายสองไม่สบายสามเฉยๆน่ะมีสามอาการก็ให้ดูด้วยอาการของสามที่สองแล้วอาการที่เรานั่งได้นี่เป็นอาการของอะไรธาตุอะไร ที่เรานั่งได้ไม่ล้มนี่เป็นธาตุอะไรธาตุดินในการที่เราเคลื่อนไหวได้ที่ธาตุอะไรธาตุดิในร่างกายเขาเราสึกเย็นล้อนอ่อนแข็งเข็่งตึงนี่ธาตุอะไรธาตุไฟและธาตุน้ำเนี่ยเป็นอาการของธาตุที่อยู่ก็ให้พิจรารณานะแล้วในธาตุเหล่านี้เวลามันทำงานมันเกิดมีของเสียออกมาไหมมีเอาออทั้งตัวเลยนะ เดี๋ยวต้องไปสระผมแล้วน้องก็ไปล้างหน้าเดี๋วไปล้างจมูกเดียวไปล้างปากไปล้างทุกส่วนของเสียออกมาไอเสียออกมาเหมืนดดอนรถอ่ะพอสตารปึ้งไปไงควรดบวบ่มาทันทีเลยใช่ไหมร่างกายของเราก็มีของเสียสกปรกเน่าหม็นออกมาตลอดเราต้องไปชําระไปช่ไ ป, ไปล้างไปดูแลกันทั้งวันทั้งคืนแหละนะอันนี้ถ้าบอกให้พิจารณาอย่างนี้ร่างกายมีอยู่หกเรื่อง หนึ่งเรื่องลมหายใจสองเรื่องอริบทสีสามเรื่องบทย่อยสี่เรื่องอาการสามสสองห้าเรื่องธาตุหกเรื่องของเสียของปฏิกูลของอสุภาษหกเรื่องนี้แหละให้ดูทั้งหมดนะทั้งหกเรื่องดูแค่สามอย่างดูอะไรบ้างดูความรู้สึกสามอย่างที่ว่ า, าเมื่อกี้มี่การยังไง ร, รู้สึกสบายไม่สบาย แล้วก็เฉยๆทั้งหมดไม่ต้องไปดูทุกอย่างอย่างที่ว่ามาในรายละเอียด น, นะแต่ดูอาการสมมติเราหายใจเข้านานเกินไปรู้ถึงสบายไหมไม่สบายหายใจออกนานเกินไปไม่เข้าเลยเนี่ยไม่สบายอีกที่ว่าหายใจคืดขัดเพราะเป็นหืดเป็นหอบอากาศไม่ดีเป็นภูแพ้จมูกไม่ดีก็ใช่ไมมไม่สบายก็สลับไปอย่างนี้ดันั้นในแง่ของวิปัสสนาให้ดูแค่สามอย่าง แต่ในแง่ของสมถะดูเป็นเลยร้อยอย่างพิจารณาไปสี่สิบกองหมดเลยโอ้มันเยอะมันเลยช้าแต่วิปัสสนาดูแค่สามอย่างสบายนั่งเน่ะแต่ว่าให้ดูตลอดนะไม่ใช่ดูเป็นบางครั้งการที่เราไม่ได้เจริญสติเราจะดูอาการสามอย่างได้ตลอดไปไหมดูได้ตลอดไหมไม่ได้เดี๋ยวก็ลืมแต่ถ้าเราเจริญสติประจําแล้วมันจะเลือดได้ตลอดเวลารเลือดได้สามอย่างนี่แหละสบายไม่สบายเฉย ชอบใจไม่ชอบใจเฉยๆพอใจไม่พอใจเฉยๆดีใจไม่ดีใจเฉยๆอ่ามันก็จะมีอยู่สามอาการแต่มันจะเปลี่ยนเป็นอาการของกายบางอาการของจิตบ้างอาการทั้งสามอย่างนี้ปรากฏที่กายเรียกว่าสบายไม่สบายเฉยๆถ้าไปปรากฏที่จิตเรียกว่าพอใจไม่พอใจเฉยๆไตตัวสามตัวนี้ถ้าเราไม่ตามดูนี้สามอย่างให้ดีนะมันก็จะขยายไปเป็นกิเลสสามกอง ความสบายก็ขยายเป็นราคะความไม่สบายก็ขยายเป็นโทสะความเฉยเฉยขยายเป็นโมหะนี่ถ้าเราไม่มีสติในการดูแต่ถ้าเรามีสติในการดูสามอาการนี้ความสบายก็เกิดกลายเป็นศีลถ้ามีสติการดูความไม่สบายจะกลายเป็นสมาธิถ้ามีสติในการดูความเฉยเฉยกลายเป็นปัญญานี่เราจะเอาแบบไหนะ เจ้าราคาโทสาโมหะโลกุลหลวงโมจะเอาศีลสิบปัญญาก็อยู่สามอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่เจริญสติเราจะดูสามอย่างนี้ให้เป็นศีลสิบปัญญาได้ไหมไม่ได้มันก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรโลกุลหลวงโดยอัตโนมัติเลยนะตรงเนี้ยเราถึงว่าคุณจะเลือกหรือไม่เลือกก็ต้องได้ถ้าไม่มีปัญญาเลือกอกายมาได้อีกแบบหนึ่งคือได้ราคาโทสามโมหะ แต่ถ้ามีปัญญาเลือกคุณก็จะได้อีกแบบหนึ่งได้อะไรศีล ส, สมถิปัญญาที่เรามานี่เรามาเลือกฝ่ายนี้ใช่ไหมมาเลือกศีลสมถิปัญญาแต่ว่าสติที่ว่ามาต้องเข้มแข็งถึงจะเลือกได้ต้องเข้มแข็งจะทำงานให้เข้มแข็งก็มาทําอย่างที่เราทำแหละ ย, ยืนเดินนั่งนอนลู้เรู้เดินจงกรมสั่งจังหวะทําทความเพียรอยู่เงี้ยตลอดเจ็ดวันเนี่ยเจดวันนี้หมายความไม่ได้ทำแค่เนี่ย ทำให้ได้นิสัยก่อนทำให้ได้ความคุ้นเคยแต่สนามริงก็ไปทําที่ไหนเอาไปทําที่บ้านไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่ไปทําที่นี่อ่ะ ท, ที่ที่นี่ไม่พอกินแนะทําที่นี่ไม่พอกินแน่นอนนะต้องเอาไปทําที่บ้านแต่ปพอคนพอทำได้ก็กลับไปบ้านทิ้งหมดเลยนะไปกันใหญ่เลยที่นีนะ่ต้องไปมาไปมากันหลายครั้งดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องยากเป็นเรื่องสบายๆนะ อานจะมาไปพูดเรื่องนี้อยู่ทั่วโลกปรากฏว่าคนต่างประเทศกับรับง่ายกว่าคนประเทศไทยเพราะต่างประเทศเขาเขาทุกข์มากกว่าเราเขาไปอยู่ต่างประเทศนี่เขาไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยนะวันไหนไม่ได้ไปทํางานหมเพราะว่าสักอาทิตย์นี่เขาอยู่ไม่ได้นะต้องขอภาพกลับบ้านบ้านเราไม่มีงานทําสัก5าปีสิปียังอยู่ได้เลยใช่ไหม ยังมีข้าวกินมีว่าอยู่มีอู่นอนเฉยเลยใช่ไหมตกงานอยู่ได้สบายบ้านเราแต่อยู่ไปตามประเทศตกงานก็หมายความว่าเรียบร้อยนัอยู่ไม่ได้นั่นเขาทุกข์อ่ะไม่รู้ว่าชีวิตอยู่ขึ้นอยู่กับงานถ้ามีงานทําเขาก็สบายถ้าไม่มีงานทําเขาก็ทุกข์บ้านเรามีงานทําไม่มีงานทำาก็สบายนะคนไทยเราไม่ทุกข์เลยแต่มีปัญหาเท่านั้นเองมีปัญหาเยอะแต่ไม่ทุกข์แต่มีปัญหาเยอะอ่าแต่ของเขาเนี่ปัญหาไม่เยอะแต่ทุกข์มาก นั้นเวลาเสนอทางออกปั๊บเนี่ยเขารับได้เลยะเวลาจัดชุมว่ามาไปจัดที่เอลเอนคนอยู่ชิคาโ ก, โกอยู่โ น, น่นอยู่ไอเทนเนซีอยู่เซนต์หลุยส์นั่งเครื่องบินมาเสียค่าบินเกือบเป็นหมื่นๆก็มาแต่ขอให้ได้ทําแต่ของเราอยู่ใกล้ๆบ้านเชิญเราพีก็ยังไม่มานะ่ยบอกให้มาทำํำพีก็ยังไม่มาเลยนะที่มาว่าคนไทยสบายก็เพออย่างนี้เนะีย่ยของดีๆให้พีก็ไม่เอานะ แต่จะให้โน่นเอาตอนที่ฝรั่งมาจัดคอสคนละสามพันห้าพันตรงนั้นอาจจะเอาก็ได้นะแต่แบบนี่หยุดประมาทไม่ได้นะพวกฝรั่งเขาฝึกกันเยอะเลยนะเรื่องนี้นะที่ผู้เก็ต น, นี่ก็มีสามสองสามมีพัญญาสอนแบบนี้แหละเขาจัดคอสคนละห้าพันอ่าคนไทยเราชอบไปเอาแบบนั้นหรวอเปล่านั้นก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยอย่าอย่าลักษณะอย่าใกล้เกียงกินด่างคือหมายของดีอยู่ในเมืองไทยอยู่ในบ้านในเมืองแล้วเนี่ยย่าให้หลุดไปแต่ว่าเราเนี่มันติดสบาย อะไรที่มันลาบากหน่อยเราก็ไม่อยากเอาเห็นไหมเพราะคนไทยเราไม่ทุกเนี่ยเราก็ติดสบายได้อยู่ได้กินได้สบายได้สนุกสนานแต่ว่ามีปัญหาก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องเหล่านี้ละก็หาทางออกใหม่อะมีปัญหาไปกินแล้วไปเล่นไพ่ไปเที่ยวสนุกเพื่อหายแต่เขาไม่มีทางออกนะไปทํางานจะมาเล่นไมน่ถึงเวลาไปเสนอวิธีการออกจากทุกโดวยวิธีการเคลื่อนไหวเนี่ยเขาชอบเลยเพราะอะไรเพออราะมันทําได้แตลเวลา แต่ถ้าจะไปทําแบบอื่ น, นไปนั่งสมาธิหลับตาเนี่ยเขาไม่มีเวลาไปนั่งแน่นอนอ่ะใช่ไหมตื่นเช้ามันก็รีบไปทํางานเพอจะกลับงานมัน ก, ก็เย็นแล้วแต่พอเขาได้วิธีการนี่ปั๊บเขาเอาไปทํางานได้ตลอดทั้งวันเลยปรากฏว่าคนนี้เก่งกว่ากวาพวกเราอีกนะ่เพราะนั่นริการนี่มาปฏิบัติแล้วบรรยายทําได้เวลามาไปเผยแพร่บางทีไม่ต้องเอาพราะไปช่วยเอาโยมนั่แหละช่วยพูดธรรมะเอาพูดเก่งกว่าเราอีกเพราะละไรเพราเขาทำงานนะแล้วก็ทํางานตลอดเวลาเขาก็ ธรรมะก็เกิดตลอดเวลาใช่ไหมบางทีเราอีกที่เป็นพระอยู่กับวัดที่เกลียด อ, อยากเกลียดตื่นตอนไหนไม่ตื่นก็ได้อะไรเนะี่ยมีข้าวกินเออประมาทแต่แย่ยมที่เขาอยู่ต่างประเทศเขาทุกข์พอเพราะธรรมะไปใช้ป่อยเขายิ่งใช้ยิ่งชนานาญใช่ไหมดังนั้นโดยเฉพาะโยมผู้หญิงในที่มาไปเผยแผ่ที่อเมริกาทั้งสิบคนนั้มียมผู้ชายที่ช่วยพูดมีแค่สองคนนอกนั้นเป็นยมผู้หญิงหมดเลย เวลาไปบรรยายทําที่ไหนเขาก็าไปช่วยเป็นพูดเางานนี้จะไปช่วยหลวงพ่อเขารียอาสามาเลยนะที่มาจะไปเปิดที่แอร์แลนด์ด้านเ ด, น, เดนมุกกลาเนนะี่ยเชื่อกว่าอาสามาสามคนเลยอาสา ม, มาช่วยนะเอเขาเสียค่าเครื่องบินเองนะไม่ต้องไปเชิญเยอะนะเพราะเขารู้สึกว่าปฏิบัติแล้วได้ประโยชน์พ่ออาจารย์ไปเปิดที่ไหนเขาอยากไปช่วยเพื่อตอบแทนบุญคุณว่า่างนั้นนี่เราก็สบายตรงนั้นฉั้ง น, นั้นประเทศไทยของเราเนี่โอมาทํางานมาหลายปีก็ได้คนช่วยพูดธรรมะไม่กี่คนนะ เพราะว่าเราสบายแล้วไม่อยากจะได้มากกว่านี้ยพอสบายแล้วก็พอแล้วนะแต่สําหรับคนที่เขาทุกข์เนี่ยเอาแค่นี้ไม่พอต้องมากกว่านี้เดี๋ยวทุกข์มันจะกลับมาอีกเนะี่ยมันก็ชํานาญนะนั้นยอโยงของเราเวลาปฏิบัติแล้วเห็นคุณค่าแล้วทําไปเรื่อยๆแล้วที่ทำอย่าไปคิดว่าได้นะทําเพื่อที่จะไม่เอานะถ้าเราไปทําไปหาเงินเนี่ยทําเพื่อได้ใช่ไหมแต่วเวลามาหาธรรมะนี่ตรงกันข้ามนะถ้าทําเพื่อเอานี่ไม่ได้อ่า ถ้าทำเพื่อไม่เอาเนี่ยได้ยกมือทิ้งเฉยๆยกไปจะให้มันได้ศีลได้สมาธิปัญญาไม่ต้องมันจะไม่ได้ทําไปตั้งใจทําไปขยันก็ทําขี้เกียจก็ทํานะสบายก็ทําไม่สบายก็ทําทําเพื่อแล้วมันเกิดได้ขึ้นมามันเป็นการเสียสละเอเราทําเพื่อได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมใครก็คิดว่าทำแล้วได้ทั้งแต่ทําแล้วไม่ต้องเอาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะ เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเอาะวันนั้นไปพูดที่ไหนไม่ธรรมดาเนี่ยเอเธนิสในงานศพเนะเาะไม่รู้ผู้ที่ฟังงานสพวันนั้นมาปฏิบัติก็ฟังหรือเปล่าด้วยนะมีไหมยกมือให้ดูหน่อยโอ้หลายคนนี่เนาะที่ไปงานศพอันนั้นแสดงมีพื้นฐานและนะดังนั้นก็อยากจะให้กําลังใจเพราะวิธีการนี้แล้วก็ต่อมาปรากฏว่าคนที่ยุโรปอยู่ที่ละมันฝรั่งเศสเขามีญาติเป็นคนลาวอยู่ที่อเมริกา พอเราเปิดที่อเมริกาคนลาวที่อเมริกาเขาได้รับผลที้เขาก็ไปดึงอน ญ, ญาพี่น้องจากจากทุโรปมาปฏิบัติพรคนอยุโรปมาปฏิบัติเอายิ่งได้ไวกว่าคนอเมริกาอีกกลับไปเขาไปตั้งคอตไปเปิดคอรที่นั่นเอามาเขต้องได้ตามไปเปิดที่นั่นเพราะนั้นที่ฝรั่งเศสไปเปิดได้สักสี่ห้าปีแล้วนะที่เมืองสตาร์บกูกอ่าคมแดนระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมันตรงนั้นแหละขอพอเปิดที่ฝรั่งเศสปั๊บไอ้คนทางเยอรมันคนทางสวิตมาเข้า พอทายุโรปมันประเทศเล็กๆนั่นมัประเทศใหญ่เหมือนประเทศใหญ่เหมือนอเมริกาก็ขับรถวันเดียวก็ไปได้หลายประเทศลนะนะเขาก็มากันง่ายดังนั้นเองก็คนไทยของเราโดยเฉพาะที่ที่ไม่สอดเนี่ยอามาว่าเรามีคนไหลไหลเผ่าไหลอ่าประเภทคนหนึ่งวันนั้นว่าจะมาอยู่ไม่เห็นหน้าอะไรหัวหน้าเผ่าประปากยอพวกนี้ต้องไปตามให้หน่อยก็นเลยกันะนะเพราะนั้น เวลาทําแบบนี้ขอให้ทําแบบไม่ต้องเอาแต่ตั้งใจทําแต่ไม่ต้องเอาอะไรเอาแต่ยกมือก็พอแต่ว่าขณะยกมือในตั้งใจ ย, ยกนะตั้งใจ ย, ยกโดยที่ไม่ต้องไปคิดว่ามันจะได้อะไรตั้งใจ ย, ยกขณะที่ตั้งใจ ย, ยกโดยที่มีสติในการยกแค่ น, นั้นอ่ะมันเข้าไปโดยอุดมวั ต, ต made, มันได้โดยอุดมัติได้โดยที่ไม่ต้องไปไปเอาลมหายใจเนี่ยถ้าตั้งใจเอามันจะไม่ได้น ะ, นะ ขอให้มีแรงหายใจก็นแล้วกันอนะ่ะคุณได้ชีวิตทั้งชีวิตเลยนะแต่เมื่อไหร่คุณเบือ่อโอ้หายใจมานานแทนเขาอยู่ชั่วานาทีอย่าเงี้ยได้ไหมถ้านาทีไปเรียบร้อยเลยนะไม่มีโอกาสได้หายใจอีกเลยแนหะเหมือนกันอ่อาอนการที่ทําเรื่องเนี้ยตั้งใจทําแค่นั้นอนะ่ะมันก็ปรากฏมันได้ได้โดยที่ไม่ต้องเอาวิธีการเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าเราไปทําอาหากินเนี้ยนะไม่ได้ไม่เอาไม่ได้นะมันต้องเอาถึงจะได้ แต่เวลามาปฏิบัติธรรมมันได้โดยที่ไม่ต้องเอานะมันมันได้โดยที่ไม่ต้องเอาเพราะว่าขอให้ทาให้ถูกเท่านั้นเองแต่ถ้าเราทำไม่ถูกถึงจะทำาไงก็ไม่ได้ทาให้ถูกก็คือกายกับใจไปด้วยกันนะเมื่อกายกับใจไปด้วยกันแล้วนี่มันก็จะเหมือนกับ น, น้ำกับดินน้ำกับดินถ้ามันอยู่ด้วยกันแม้ต้นไม้จะไม่ต้องปลูกมันก็ขึ้นเหมือนหญ้าใช่ไหมมันก็ขึ้น แต่ถ้าหากน้ำกับดินไม่ได้อยู่ด้วยกันแม้แต่คุณปลูกต้นไม้ไปมันก็ไม่ขึ้นเพราะว่าน้ำกับดินมันไม่ได้อยู่ด้วยกันกายกับใจถ้ามันอยู่ด้วยกันแล้วคุณทมบางสิ่งบางอย่างคุณไม่ต้องคิดหามันก็เกิดเองกายกับใจยุติการศีลมันก็เกิดเองกายกับใจยุติการสมาธิก็เกิดเองกายกับใจยุติการปัญญาก็เกิดเอง น้ำกับดินอยู่ด้วยกันยามมันเกิดเองต้นไม้มันเกิดเองคุณไม่ต้องไปปลูกอ่ะต้นไม้บนภูเขาคุณได้ปลูกที่ไหนใช่ไหมก็มันเกิดเองแต่ขอให้น้ํากับดินขอให้ฝนตกแค่นั้นแหละเมื่อกายกับใจกายเหมือนดินใจเหมือนน้ําเมื่อเข้าสัดส่วนกันพอดีแล้วคุณธรรมต่างๆมันเกิดของมันเอง แต่ถ้าหากว่าคุณไม่ดึงกายกับใจไม่ฝึกกายกับใจให้อยู่ด้วยกันคุณจะพยายามฝึกให้เกิดคุณทำอย่างนู้นอย่างนี้มันก็ไม่เกิดเหมือนกับดินคุณไม่มีน้ําคุณเอาหาไม้พันธุ์ดีๆมาปลูกเลยปลูกเท่าไหร่ตายหมดนะฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อเราทํากายกับใจให้ไปไหนไปด้วยกันทําอะไรทําด้วยกันตั้งใจด้วยนะบางทีให้เออฉันก็มีบางคนเออฉันดื่มเล้าอย่างรู้สึกตัวได้ไหมหลวงพ่อขอฉันรู้สึกตัวในการดื่มนะ ได้ไหมไก่กับใจเข้าไปด้วยกันนะ่ะแต่สิ่งที่เดื่ดมันไม่ใช่น้ําเป็นไปเล่าเท่านั้นเอง <laughs> ใช่ไหมแบบนี้ได้ไม่ได้สติไหมได้เหมือนกันแต่สติคนละแบบขเขาเรียกมิฉาสติอย่างขาโมยที่มันไปลักของมาได้มันต้องมีสติปัญญาสูงมากเลยใช่ไหมขนาดเจ้าของไม่รู้อ่ ะ, ะปีหนึ่งจนะมาเชิญอาจารย์ธีรยุทธ เวทเจริญยิ่งเนี่ยนะที่ออกทีวีบ่อยๆนะเขาสอนเจริญสติแบบเราเนี่แหละไปช่วยที่ที่ฝรั่งเศสปรากฏูเขาไปขั้นแรกแล้วใกล้ถึงได้ดี ใ, ใจนะึกเขาไปเที่ยวของไอฟเฟนไอ้ที่ฝรั่งเศสนะโอเคมีสติอย่างดีเลยทีนี่มีชาวต่างประเทศว่าเด้ อ, ข อ, อขอถ่ายรูปหน่อยนึงถ่ายดูเอานะผมผมถ่ายให้คุณว่างเอาคุณถ่ายถ่ายไปถ่ายมากลับมาเอาทั้งกล้องทั้งกระเป๋าถูกลงไว้บนเลยเรียบร้อย ขนดสติดีที่สุดแล้วนะแต่ช่วยคนที่เป็นขโมยมันสติดีกว่าด้วยนะเออขอถายลูปตั้งเดียวแค่นั้นอนะ่ะแล้วก็ดีใจว่าได้ถายลูปกัชาต่างประเทศที่ไหนได้กลับมาของหายไปเยอะเลยเนหะ็นเนี่ยขโมยมันก็มีสติสมิทธะดีกว่าแต่ทําไมถึงว่าไม่ดีเพราะมันเป็นมิจฉามิจฉาสติมิจฉาปัญญาคนเขาคิดที่จะโกงคอร์รัปชันขนาดไม่ผิดกฎหมายเนี่ยเขาทําได้ใช่ไหม เขามีปัญญามีสติเยอะไหมเยอะกว่าคนเราสิีกแต่ทําไมบอกว่าไม่ดีเพราะเป็นมิจฉาสติอะไรก็ตามที่ตั้งใจที่จะเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นอันนั้นจะปัญญาสติปัญญาจะดีขนาดไหนก็ไม่ชื่อว่าเป็นสัมมาสติเป็นมิจฉาสตินะฉะนั้นเองตรงนี้เองที่มันยากเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันมันผิดมันถูกต้องไปแยกออกตัวนั้นด้วยอันไหนก็ตามจำจำไว้เลยว่า สิ่งใดก็ตามที่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนสิ่งนั้นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สัมมาทิฏฐิสิ่งใดก็ตามแม้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเอาไว้แต่มันเป็นไปเพื่อเป็นประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่นแม้เราตถาคตไม่ได้สอนเอาไว้ก็ถือว่าเป็นคำสอนของเราตถาคตนี่ถือว่าเป็นพุทธคติหมดใครพูดออกมาเนะี่ยเป็นพุทธคติหมดแต่ขอให้เป็นประโยชน์ สุขทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแม้แต่โยมสอนโยมไม่รู้จักคําสอนผู้เจ้าเลยนะแต่สิ่งที่โยมสอนเนี่ยเป็นประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่นก็ถือว่าเป็นคําสอนของผู้ดีเจ้าเราียกเป็นพุทธพจน์นะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องแปลกใจไปต้องไปติดเรื่องพุทธวจนะหรอกที่พวกเราก็ทําได้แต่ว่าเราไม่มั่นใจตนเองเท่านั้นเองใช่ไหมแล้วว่าสิ่งที่เรา ท, ทํานี่ยต้องกลั่นกรองให้ดีว่าสิ่งที่เราพูดวันนี้เป็นประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นไหม สิ่งที่เราทําวันนี้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นไหมสิ่งที่เราคิดวันนี้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นไหมตรวจสอบตรงนั้นถ้าตรวจสอบอ๋อเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นแต่ว่าต้องมีสติด้วยนะว่าสิ่งที่เราจะพูดกับสามีพูดกับลูกพูดกับภรรยาเนี่ยเป็นประโยชน์แก่ตนเองและเป็นประโยชน์กับเขาด้วยอเป็นประโยชน์แล้วก็สอนเลยนะแต่เขาจะรับไหม ถ้าเขาไม่รับจะว่าไงถ้ทาทพระนี่เป็นประโยชน์กับเขานะแต่เขาไม่รับอ่ะอย่างนี้ถูกไหมนี่นี่เนี่ยที่มันยากตรงเนี้ย เ, เราก็ว่าเราบอกอย่างงี้วมันก็เป็นประโยชน์กับเราด้วยเป็นประโยชน์กับเขาด้วยมันเป็นคําสอนผู้นิจเจ้าด้วยแต่ทําไมเขาเขาไม่ชอบอะ่ะเขากลับด่าเราก็มึงจะม่สอนกูนะ <c oughs> มึงสอนมึงก็แล้วกันนะลำนองนี้พอเจอเขาแบบนี้เปไงไงหลังเอ๊ะเขาก็ตั้งใจดีหลวงพ่อบอกว่าคําสอนได้ที่เป็นประโยชน์กับตัวเองอันนี้เป็นปรทําไมเขาไม่รับอ่ะ เพราะอะไรเพราะขาดอะไรทั้งๆ ท, ที่สิ่งที่เขาให้เนี่ยดีนะโยมมาเจริญสตินี่เจดวันกลับไปนั่งสอนสามีดีดิเขารับได้ไหมเออเธอทำอย่างนี้นะสร้างจะดีจะกินเหล้าเนี่ยจะเล่นไพ่นะต่อไปหนะ้าอะไรต่างเนี่ยเขารับไหมไม่รับเออเราก็ตั้งใจสอนดีนะทําไมไม่รับวะเพราะขาดอะไรขาดปัญญาเราต้องรู้ด้วยว่าคนเนี้ยรับหรือไม่รับเขาเขาจะเอาหรือไม่เอาเราต้อง เราต้องดูด้วยนะในการที่มีปัญญาเพื่อที่จะพิจารณาว่าเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์นั้นไม่ใช่ว่าเห็นว่าเป็นอยให้เลยไม่ใช่แต่ต้องพิจารณาว่าเขาศรัทธาหรือไม่ศรัทธาเขาพอใจหรือไม่พอยใจถ้าเขาพอใจเขาศรัทธาก็ให้ไปนะตรงนี้สําคัญต้องใช้ปัญญาด้วยนะดังนั้นการเจริญสติแบบนี้จึงอยากจะไหนไหนมาแล้วนเนี่ยวล่าสั้นนะแค่ห้าวันเจ็ดวันเนี่ย ก็อยากจะให้ตั้งใจทํากันทุกๆเวลาไม่ใช่าตั้งใจมาทําที่นี่เท่านั้นนะเวลาเลิกไปเนะี่ยเลิกออกจากที่นี่ไปไปอาบน้ําไปซักผ้าพิจัดณาอะไรก็ตามอ่ะที่เราเรารู้สึกได้เกี่ยวข้องได้ทําลงไปห้อยใส่สติลงไปด้วยนะใส่ใจลงไปด้วยบ้านเราก็เลยใส่ใจนะเพรานั้นเองอมาก็เลยทํางานแต่เรื่องเดียวนี้แหละเรื่องอื่นไม่เอาเพราะอะไรคนอื่นมีคนทํากันหมดแล้ว นะทำแต่เรื่องนี้ mm. ก็เลยสบาย mm. เป็นประโยชน์แกตนเองด้วย mm. เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วย mm. แล้วก็พยายามที่จะส่งเสริมให้โยมเนี่ยเอาไปบอกต่อๆกันแต่ว่าเราต้องทงได้ก่อนนะเราทำไม่ได้ไปบอกคนอื่นแน่มีหวังได้ mm. ถูกตีกลับ <c oughs> <c oughs> ถูกตีกลับ อ, อันนี้คือวิธีการที่หลวงพ่อเทียนท่านสอนแบบสบายๆง่ายๆ ไม่ลึกแล้วก็ไม่ตื้นแต่รู้สึกเอาไปทำได้ส่วนจะทำได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับว่าเรามีศรัทธามากน้อยแค่ไหนเหมือนเราจะปลูกผักปลูกต้นไม้เนี่ยไม้แบบไหนต้องใช้น้ำมากก็ให้น้ำมากไม้แบบไหนใช้น้ำน้อยก็ใน้น้ำน้อยอยู่ที่ดูด้วยเราบางอย่างแล้วมันต้องการน้ำมากแล้วให้น้อยอย่างเยอะไม่ได้ธรรมะบางอย่างต้องการสติปัญญามากก็ต้องทำให้มาก ธรรมะบางอย่างไม่ต้องใช้สติปัญญามากก็ไม่ต้องใช้มากก็รู้จักความพอดีของมันนะ่เราก็จะสบายนทีนี้ปัจจุบันนี้มาก็เลยว่าในในปีต่อไปเนี่ยก็อาจจะต้องลดลงทางฝั่งยุโรปอเมริกาเพราะว่าเดี๋ยวนี้งานทำหมดทำเยอะขึ้นฝ่ายนั้นก็อยากปฏิบัติฝ่ายนี้ก็อยากปฏิบัติแต่และปีนี้ไปนั่นหกเดือนอยู่เมืองไทยแค่หกเดือนตอนนี้ลดเหลือทานั้นแค่สามเดือนนอกนั้นอยู่ทางเมืองไทย นะทั้งนี้เพื่อที่คนไทยเราเดี๋ยวนี้กรรมฐานทุกสายเนี่ยพูดถึงเรื่องรู้สึกตัวนะสายไหนโดยไม่พูดถึงรู้สึกตัวรู้สึกไม่ทันสมัยเลยนะอันนี้หลวงพ่อหลวงพ่อเทียนท่านเปิดประเด็นเอาไว้เมื่อสามสิบปีก่อนนะให้รู้สึกตัวจะสอนนอง ก, ก็ต้องรู้สึกตัวแล้วก็คนที่เขาสอนนองเขาก็มาสอนเรื่องเจริญสติเป็นส่วนใหญ่นะแล้วที่สําคัญก็คื อ, อฝรั่ง ที่เขามารู้จักเรื่องการเจริญสติบางทีเขาไม่ได้ผ่านวิธีการของพ่อเทียนเขาผ่านวิธีการหลวงพอ่อทิศ น, นัทธันเคยได้ยินพระเวียดนามเดี๋ยวดีเขามาตั้งสำนักสอนอยู่ที่เขาใหญ่หนะพระเลวพระวิเลศพรวิเลศเอามาก็เคยไปไปร่วมเจริญสติกับเขาที่นั่นแต่เขาใช้ใช<ม>้การลมหายใจกับการเคลื่อนไหวร่วมกันการเคลื่อนไหวการทำอะไรแบบมีสติแต่เขาไม่ได้ใช้แบบ รูปแบบอย่างเราแต่เขาใช้การเคลื่อนไหวของลมหายใจแต่ไม่หลับตานะลืมตาเคลื่อนไหวแบบลืมตาเรียกวาณนาปานสติปรากฏว่าฝรั่งชอบเพราะอะไรเพราะเขาทำแบบผ่อนคลายเพราะฝรั่งเครียดดังนั้นในวิธีการเจริญสติแบบหองพ่อที่นั่นก็ขยายไปทั่วโลกเหมือนกั น, นในเมื่อตั้งสาขาอยู่ที่เมืองไทยส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่เข้าคนรุ่นใหม่เา อาประเภทว่าเขามีการร้องเพลงมีการเล่นกีฬาประกอบด้วยนะไม่ใช่มาทางเจริยสัธิอย่างเรานะฮะถึงเวลาทั้งพระทั้งโยมก็ไปเล่นกีฬาด้วยกันไปเตะบอลด้วยกันนะฮะเขาเหลืองฟิวบอเนะแต่เขาไม่ได้ใส่ผ้าสีกรักนะเขาไม่ได้ผ้าสีเหลืองเหมือนเรานะบาน ท, ทีเราไปก็แต่ว่าปีปีนั้นนมาไปร่วมงานเขาอยู่ที่ฝรั่งเศสที่ที่เมืองบ็อกโดเนี่ยตอนใต้ของฝรั่งเศสเขาเรียกซัมเมอร์ลิทิสเขาจัดอยู่สามอาทิตย์ <c oughs> ทีนี้วันสุดท้ายก็มีการสัมมน า, ากันว่าสัมมน า, าว่าพุทธศาสนาเนี่ยจเจริญในประเทศใดเนี่ยมากที่สุดหลายคนเสนอว่าประเทศไทยแต่มีเลขาของพมิลตมาพูดบอกว่าเออประเทศไทยเราสงสัยนะว่าเป็นประเทศที่มีผู้จัดฐานจเจริญที่สุดแต่ประเทศไทยสินห้าผิดทุกข้อเลยว่างั้น อาญากรรมเป็นที่สองของโลกค่าสัตว์ใช่ไและการช่อกงนะสิงข้อสองอะ่ะการคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยใช่ไหมมากที่สุดแล้วก็เรื่องการค้ามนุษย์ค้าโสเภณีส่งออกเป็นที่ผ่านทางของโสเภณีและยาเสพติดระจากเมืองไทยสิงข้อสาม แล้วสินข้อสีในการพูดที่เชื่อถือไม่ได้รัฐบาลไทยเพราะงั้นกลวงกันอย่างหนึ่งเขาไม่อยากจะทำการค้าด้วยเลยตกลวงกันอย่างหนึ่งเอาอย่างหนึ่งตัวกันอย่างเขาบอกพิสิทุข้อเลยนะแล้วก็เรื่องสุราเมลยะเรื่องยาเสพติดใช่ไหมส่งออกทุกระดับเลยเขาพูดบอกว่าไทยแลนด์ a k e บ Buddhism อ s p พ o ว e r ว่าประเทศไทยทำพุทธศาสนาตกต่า ทำให้ผู้ศาสนาอพยุพโอสู๋เขาพูดอย่างนั้นเลยนะอมมาแลติดอารมณ์พี่เจ่อไปไม่ไปเลยนะเขาพูดมันจริงเกินไปนะไม่ใช่ไม่ถูกนะมันจริงเกินไปเราเราก็เลยสุด ข, ขายหน้ามากมากเลยนะเราเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปร่วมนะฮะแต่ว่าขีดสีหน้าทุกข้อเลยคนไทยโอ้โหเ ป, เป็นไปได้ยังไงแล้วมันจริงของเขาอะ่ะใช่ไหมอ่าเป็นที่ค่ายาเสพติดดังทั่วโลกของประเทศไทยจริงไหมอ่าโสเฟนี ระหว่างในเอเชียจะมาออกเชียงใตยต้องผ่านประเทศไทยหมดปัญหาเรื่องค้ามนุษย์ใช่ไหมเออเป็นปัญหากันอยู่ทุกวันเนี่ยโอ้ไม่ใช่รับไม่ได้แต่มันจริงเกินไปเรารับไม่ได้ทำให้พุทธศาสนาตกต่ำในประเทศไทยเป็นคำที่แรงมาก อ, อ่าก็ซนะิสเตอร์ซิสเตอร์จันโคงเน่ยที่เป็นเป็นเลขาของหลวงพ่อที่ด้นทันเนี่ยเพราะว่าในช่วงสเสมอฤทิคนต่างประเทศ ตัวแทนผู้ธศาสนาหลายประเทศอ่ะเข้าไปปฏิบัติร่วมกันสามอาทิตย์แล้วว่าวันสุดท้ายก็มีการประชุมสัมนากันพูดถึงเรื่องความเจริญในพุทธศาสนาในประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีรอบนี่แหละ ห, ห, ห, ห, หลายประเทศก็เสนอว่าประเทศไทยแต่ประเทศไทยถูกวิจารณ์เละไปเลยเลย แ, ลแค่สินห้าไม่รอดอยู่แล้วนะแั้วนั่นเองในสินห้าข้อข้อไหนสําคัญที่สุดผิดแล้วผิดเลยทั้งหมดทุกข้อข้อไหน ข้อห้าว่าไงอาวคุณไม่อื่มสุราคุณก็ไม่ผิดสินห้าทีใช่ไหมในข้อห้านี่มันแปลนั่นหนึ่งนะสุราเมระยะมัชะปรมมาทะถึงสี่ความหมายอะ่ะมันถึงอมึงเสียงห้าข้อหมดเลยสุราเมระยะมัชะประมาทะสุราคือสิ่งเสพติดชนิดที่แก่ ใช่ไหที่ที่แกจัดเมระยะสิ่งเสพติดที่มีรถมึนเมาที่เบาอ่อนลงมามัชชะสิ่งเสพติดที่ละเอียดลึกลงไปอีกเช่นยามายาอีย า, าข ย, ยาอันใดกันกนี่นะที่เรากินยาเสพติดทั้งหลายเนี่ยคือมัชชะมาคูบุรีน้ำชากาแฟนนี้เป็นมัชชะหมดในสุ ข, ข้อเดียวกันแล้วประมาทประมาทคือขาดสติ ขาสติที่ผีสิงข้อไหนผีสิงข้อหนะ้าหนึ่งสองสามสี่นี่ขาสติไม่เป็นไรนะแต่ว่าพอผีสิงข้อห้าสติแล้วอีสี่ข้อไปหมดเลยเพราะฉะนั้นให้รักษาสี่ข้อเดียวคือข้อห้าถ้าคนมีสติมันจะไม่ฆ่าสัตว์ถ้าคนมีสติมันจะไม่รักทรัพย์ถ้าคนมีสติมันจะไม่ไปพูดผิดในการไม่รวงและหมดพืนถ้าคนมีสติมันจะไม่พูดปดพูดซอยเศษพูดคําหยาดพูดเฟอเจอเพราะขาสติมันทําได้ทุกข้อเลยทีนี้ เพราะนั้นเราจึงมาเจริญสติไงเรามารักษาสิ่ข้อห้านะคีอรักษาสิ่ข้อเดียวในสมัยคัมภูตการมีเรื่องนะมีเรื่องเกิดขึ้นเรื่องก็คือพระชื่อว่าอจําจชื่อไม่ได้แล้วคือมาบวชแล้วตอนที่ก่อนบวชเราเห็นพระอยู่ดีกินดีอยู่สบายกินสบายเอ๊ะเราไปบวช ด, ดีกว่าเนะอ่าไปบวชปรากฏพอบวชเข้าไปสักพักหนึ่ง มาขอลายสินเอาทําไมอ่ะมันยุ่งยากทําอะไรก็ผิดหมดพวกนั้นอยู่บ้านไม่ได้ผิดขนาดนี้สินเยอะเกินไปตั้ง227พวกนั้นมาขอลายสินอา้าวพระเจ้าก็ต่อรองเนาะเอาลดลงก็ได้ไม่ถึง227ก็ได้เอาสักกี่ข้อดีพวกนั้นเอาสักห้าข้อไหวไหมโอพอได้เดี๋ยวะไปบ้างห้าข้ออ่บอกเอาข้อเดียวก็พอพวกนั้นเอข้อเดียวได้ได้พวกนั้น เธอไปทําดูสักวันนึงก่อนถ้าทําได้ก็ไม่ต้องซื้อไงไปรักษาศินข้อเดียวทําไงบอกไปรักษาใจของเธอในในวันนี้เราไปรักษาใจไม่ให้คิดอะไรเลยนะให้อยู่เฉยๆเนี่ยมันจะไปทางไหนก็ดึงมันกลับมามันจะคิดไปไหนก็ดึงมันกลับมารักษาแค่นี้แหละเราไปดูสักวันนี้จะได้ไหมก็ปรากฏไปตั้งใจทําอยู่วันหนึ่งปรากฏว่าใจมันจะดึงใจจะออกไปก็ดึงกลับมา ใจเป็นก็ดึงดึงไปดึงมาป ร, กรากฏว่าจิตมันเกิดรวมเป็นพลังรวมเป็นพลังมันก็เลยระเบิดจิตระเบิดอวิชาตัวไม่รู้ระเบิดออกมาป ร, กรากฏว่าจิตทะลุธรรมบรรลุธรรมเลยในในเย็นวันนั้นนะเข้ามาบอกคุณเจ้าบอกข้าพเจ้าไม่สึกแล้วอทําไมเพราะรักษาศีลข้อเดียวดีกว่าสองแล้วยิบเปลยนข้อ เราไม่เจ้ารักษาศีลสองรยิข้อมันตั้งหลายเดือนไม่บรรลุธรรมเลยรักษาศีลข้อเดียวนีฝานะ่ะบรรลุได้หมดเลยเหมืนอนนเพราะฉะนั้นเรามาที่นี่มาเจริญสติก็เพื่อมารักษาศีลข้อเดียวคือรักษาใจวันนี้รักษาได้เกียนใจได้รักษาได้กี่เรื่องนะยิ่งรักษายิ่งหมดไม่เข้าท่านะยิ่งสายิ่งได้นะเพราะฉะนั้นประมาทคือการประมาทโมเมาแต่สิ่งตรงกันข้ามมันใช้คำอัปมาทะ ในวันสุดท้ายก่อนพุทธปรินิพานท่านสั่งเป็นพี่ในกรรมเอาไว้ว่าหันตะานิพิฆเวอมันตยามิโวขยะวยธรมาสังขาราปรมาเทนะสัมปาเทธะว่าบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มีแต่เสื่อมไปสิ้นไปสูญไปสลายไปไม่มีอะไรทแท้แน่นอนแต่ให้ทำอยู่อย่างหนึ่งคือเจริญสติคือทาความไม่ประมาทตลอดเวลา แล้วสิ่งที่มันเสื่อมไปสิ้นไปมันจะไม่เป็นปัญหาสําหรับเราเมื่อเราจะลูกใจเสียเมียใจจากสมบัติพัดผ้ า, ผ า, ผ า, ผากี่หมื่นกี่แสนกี่นันเราจะไม่ทุกข์เพราะเราไม่ประมาทนะเราจะไม่ประมาทเพราะฉะนั้นให้เป็นพิธีกรรมครั้งสุดท้ายว่าให้เจริญความไม่ประมาทแก่ได้แก่ไม่ขาดสตินั่นเองนะเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเราได้มาทําสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วว่าได้มาเจริญสติปัญสี และได้มาสืบได้มารับทราบพินัยกรรมของพระพุทธเจ้าคือให้มีสติตละเวลานี่เป็นพินัยกรรมชิ้นสุดท้ายที่พุทธเจ้าสั่งไว้ก็ให้เราตั้งใจทําแล้วได้รักษาสินใจด้วยรักษาใจไม่ให้มันนึกไม่ให้มันคิดไปแต่ไม่ได้ให้หยุดคิดนะให้คิดได้แต่ว่าเสร็จแล้วให้กลับมาเหมือนเรามีบ้าน ไม่ใช่ไหมความเราจะอยู่ติดบ้านตลอดเวลาใช่ไหมคุณจะ อ, ออกไปทำการทํางานทําอะไรก็แล้วแต่ในที่สุดคุณต้องกลับมาที่บ้านเราก็ต้องไปสร้างบ้านให้ใจคุณจะคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เสร็จแล้วต้องกลับมาที่กายแต่ส่วนใหญ่กลับมาไหมไม่กลับตลอดเลยไปไม่รู้อะหายหลงบ้านเขาเรียก่หลงตกลงลืมตัวนะหลงตกลืมตัว ก็กลับบ้านไปถูกดังนั้นการมาเจริญสติคือมาสร้างบ้านให้ใจให้ใจได้กลับมาอยู่บ้านอยู่ช่องถ้าใจมันออกไปโดยที่ไม่อยู่กับกายเนี่ยเขาเรียกอะไรที่มันเล่ยลอดไปที่ต่างเขาเรียกว่าใจที่มันเล่รลอดไปไปเรื่องราวต่างเลิยสำมาเลยนะ สัมภเวสีเราทั้งหลายก็เป็นสัมภเวสีอยู่วนะันวันึนน่เ ล, ลื่อนไปตรงนู้นเ ล, ลื่อนลอนนี้บางชื่อวงบางไปไม่ได้มีที่อยู่เลยพอเราไาเจริญสตินี่เรามีที่เกิดละมีที่อยู่คือมีสติมีสมัมญผญัสเป็นที่อยู่นะเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่จะจบใครมีข้อสงสัยใจจะถามไหมเรื่องที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมีข้อไหนที่ไม่ชัดเจนไม่แจ่มแจ้งไม่เข้าใจมีไหมยกมือถาม มันจะยกมือสร้างจังหวะอย่างเดียวนะยกมือถามเพื่มยกสูงๆหน่อยไม่มีน ะ, ะไม่มีเราก็จะไปเตรียมตัวหลับนอนกันพรุ่งนี้คงจะได้ตื่นตามเวลาแต่เมื่อคืนนี้หลวพอตื่นมาตีสองเลยไม่ได้นอนต่อเลยวันนี้ก็เลยง่วงอนกนตีสองก็ไม่ต้องตื่นเช้าขนาดนั้นก็ได้เดินแคตีใกล้กจะตีสี่นะมันจะอกําลังกายกันพรุ่งนี้ตอนเช้าทําของไอเซอร์ไซ์ของอามสามท่าสี่ท่า แต่ผู้นี้เช้าจะเป็นที่เบรทไลท์สำหรับโยมผู้หญิงจะให้คูจิพาธรรมนะแต่สําหรับโยมผู้ชายก็มาจะพาธรรมข้างล่างแล้วมีที่ข้างลังนะที่ป่ายทรายเอาอาสนะไปหรือว่าที่บนบ้านผู้ชายดีตรงนั้นมีเต็นท์เยอะนะเต็เต็นเยอะนะแต่ได้ทําที่เดียวกันก็ไม่พอเพราะโยมผู้หญิงมีเยอะอยู่ก็อาจจะเลือกที่ตรงใดตรงหนึ่งก็ได้ทำโครามุงก็ได้นะ พี่ไปมุมนั้นผู้ชายมามุมนี้นะก็อขออนุโมทนาสาธุในการที่เราจะได้ศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่ดีๆร่วมกันแล้วก็ทำให้ได้เราวทำให้ต่อเนื่องเพื่อเราจะได้พบบ้านที่ดีพบบ้านของเราคือบ้านของใจอันตดแกนน่นิพพานนั่นเองที่บ้านของใจให้ใจจะคิดอะไรก็ให้กลับมาให้ไวที่สุด เหมือนเรามีบ้านไปไหนก็ต้องกลับมาเมื่อเราคิดอะไรเสร็จแล้วต้องกลับมาอยู่ที่กายเป็นที่อยู่ของเราและใจของเราที่มีที่อยู่แล้วมันจะปลอดภัยจากความโลภความโกรธความหลงใจของเราก็จะไปสู่มรรคผลนิพพานได้ง่ายด้วยการทุกคนทุกท่านทื่น